ใครมีคำถามอยากจะถามอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้มีชาวต่างประเทศพาลูกสาวมาคนหนึ่งมาบอกว่าไม่สบายใจตลอดเวลาเป็นซึมเศร้าอบอกให้ช่วยหน่อยเราก็เลยบอกว่าเนี่ามาคุยกันหน่อยนี่ อายุสามสิบกว่านะก็นั่งร่างกายก็ดูปกติอยู่แต่ใจหน้าตาซึมๆก็ถามเขาว่าเป็นยงไงรู้สึกสบายไหมเขาก็ไม่พูดอะไรแม่เขาบอกว่าเขามีแต่ความกลัว กลต่อไปจะต้องอยู่คนเดียวเราก็บอกว่าชีวิตของคนเราก็อย่างนี้แหละมีสุขมีทุกข์สลับกันเดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์ถ้าไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวมันมันจะทุกข์เพราะว่าเมื่อเราไป สั่งมันไม่ได้สั่งให้มันสุขตลอดมาให้มันไม่สุขทำไม่ได้มันความรู้สึกนี้มันเหมือนกับดินฟ้าอากาศบางวันก็แจ่มใสบางวันก็มีเมฆมีหมอกมีฝนเราก็ต้องอยู่กับมันไป แล้วเราก็จะไม่ไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะว่าเราอยากจะให้มันแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็เป็นอนิจจังไม่สัเทียนไม่คงเส้นคงวาไม่เหมือนเดิม มันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมดับแล้วก็เกิดใหม่เกิดแล้วก็ดับใหม่ความรู้สึกต่างๆใช่บางวันก็มีจิตใจแจ่มใสาบางวันก็มีจิตใจเศร้าหมองบางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์ไม่ดี มันเป็นเรื่องของอนิจจังอนัตตาอนัตตาก็คือเราไปห้ามมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้เราต้องอยู่กับมันให้ได้รับกับมันให้ได้มันมายัางไงเราก็รับกับมันไปวิธีรับกับมันก็ง่ายแสนง่าย ก็ให้รู้เฉยๆยนั่นเองรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ปัญหาที่มันยากก็เพราะว่าเราไม่ยอมรู้เฉยๆเราติดนิสัยที่ชอบไปปรับกินกว๋วยเตี๋ยวยังต้องปรับลดเลยไหมกินกว๋วยเตี๋ยวยังต้องมีเครื่องปรุงอะไรเดี๋ยวกินแบบที่เขาทำมาให้กินไม่ได้มันจืดชืดมันไม่มันมันไม่หวานมันไม่เค็ม มันไม่เผ็ดนี่ปัญหาของเราอยู่ตรงนั้นน่ะชอบปุงแต่งเราถึงมีเครื่องปรุงเยอะแยะไปหมดใช่ไหมดูอาหารเป็นตัวอย่างนี่เครื่องปรุงแต่งบ้านก็เครื่องปรุงแต่งหมสร้างบ้านเสร็จอยู่ไม่ได้ต้องให้ อ, อินทีเรเนียมาปรุงแต่งก่อนต้องมาตกแต่งบ้านก่อนต้องติดบ้า น, ต, น, นติดนู่นติดนี่ คาจริงไม่ติดมันก็อยู่ได้ไม่ใช่นะใช่ไหมดูกุฏิพระที่สร้างกุฏิเสร็จไม่มีอะไรเลยเราสร้างกุฏิที่วัดนี้มาเนี่ยกี่หลังไม่มีอินทอรีเนมาตบมาแต่งเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่มีมีแค่หลังคามีกับฝาหน้าต่างห้องน้ำมีแต่ของที่จำเป็นที่จะต้องใช้ก็พอแล้วเนี่ยไม่ ไม่เห็นจําเป็นจะต้องมาอินเทเรียมาซื้อเฟอร์นิเจอร์โอ้ยวุ่นวายไปหมดถ้าจะแต่งนี่ต้องเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องเข้ากับมา่านมานี่ก็ต้องเข้ากับตู้เย็นอสีอะไรชนิดอะไรโอ้ยมันมันวุ่นวายไปหมดแล้วมันได้อะไรขึ้นมาแต่งเสร็จเดี๋ยวก็เบื่ออีกแล้วเดี๋ยวก็แต่งใหม่นี่แหละ ปัญหาของพวกเราคือใจเราไม่ยอมรับไม่ไม่ยอมรู้เฉยๆชอบปรุงแต่งกันพอปรุงแต่งไม่ได้ดังใจก็เสียใจเศร้าใจความซึมเศร้าก็เกิดจากการที่เราไม่สา ม, มารถทำตามที่เราปรุงแต่งได้อยากให้ชีวิตสดใส แต่พอมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราปรุงแต่งไว้เราก็เศร้าเสียใจใบางทีก็ข่าตัวตายเมืม่อไม่สามารถที่จะให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้เราก็เลยไม่มีความสุขแต่ความสุขที่ได้จากความปรุงแต่งมันก็เป็นความสุขเดียวเดียวเดียวมันก็เบื่อ ลงแต่งแล้วเดี๋ยวมันก็เบื่อลองให้กินอาหารที่เราชอบสักทุกวันวันละวันละสามมื้อดูนีไม่เกินอาทิตย์กินไม่ลงนะอร่อยขนาดไหนชอบขนาดไหนพอได้กินมันซ้ําๆบ่อยๆเข้าเดี๋ยวมันก็เบื่อของต่างๆที่ให้ความสุขกับเราที่มีอยู่ในโลกนี้มันจะมันไม่ให้ความอสุขที่แท้จริง มันให้ความสุขในระดับหนึ่งในระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นของน่าเบื่อขึ้นมาถ้าเป็นของใหม่มันมันรสึกสุขกับมันแต่พอกลายเป็นของเก่าไปแล้วของชินชาไปแล้วของซ้ำซากไปแล้วมันก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมา าถ้าเราหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เราก็จะต้องอต้องหาอยู่เรื่อยๆต้องเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันจะให้ความสุขเราได้ชั่วระยะหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็จะทำให้เราเบื่อเบื่อเราก็ต้องหาใหม่ หาสิ่งแปล ก, กใหม่ๆมาคนที่ไปเที่ยวนี้ต้องหาที่เที่ยวอยู่เรื่อยไปประเทศนี้แล้วไปประเทศนั้นแล้วประเทศไหนที่ไปแล้วไม่อยากจะกลับไปต้องไปหาประเทศใหม่ที่ไม่เคยไปไปกี่ประเทศมันก็เหมือนเดิมมันก็สุขเฉพาะตอนที่ไปแต่ถ้าไปแล้วให้อยู่นานๆก็ไม่อยากจะอยู่แล้ว กลับบ้านดีกว่ า, เ, าเบื่อแล้วนี่คือการหาความสุขทางโลกมันจะเป็นอย่างนี้มันจะทำให้เราต้องหาอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะเบื่อมันพอได้มันมาสักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะเบื่อถ้าเราอยากจะหาความสุขแบบไม่เบื่อเราต้อง หาแบบพระพุทธเจ้ากับพระสาวกท่านได้พบความสุขที่ไม่มีวันจืดไม่มีวันจางไม่มีวันเบื่อเป็นความสุขที่สม่าเสมอที่เสถียรไม่จืดไม่จางความสุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยนัตสันติบาลังสุ ข, ขัง ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสงบถ้ามีความสงบแล้วไม่ต้องมีอะไรอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อย่างไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะไม่ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องไปพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆแล้ว ถ้ามีความสุขที่เกิดจากความสงบนี่อะไรจะเกิดขึ้นอารมณ์จะดีอารมณ์จะไม่ดีจะมีความรู้สึกสุขทุกทางร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะมีความรู้สึกทางใจไม่สบายหรือสุขสุขบ้างไม่สุขบ้างทุกบ้างก็ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะ ใจไม่มีการปรุงแต่งใจอยู่กับมันได้รับกับมันได้ศักแต่ว่ารู้ได้เราต้องเปลี่ยนใจของเราที่เป็นใจที่ชอบปรุงแต่งมาเป็นใจที่ศักแต่ว่ารู้ถ้าเป็นใจสักแต่ว่ารู้แล้วใจจะสบายจะอยู่กับอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้ ก๋วเตี๋ยวเอามาไม่ต้องเอาเครื่องปรุงมาก็ได้กินกับมันมันมีรสของมันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปปรุงแต่งมันพ่อครัวแม่ครัวเขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลาก็กินไปถ้าใจเป็นใจที่สักแต่ว่ารู้มันจะไม่ปรุงแต่งมันจะพอใจกับทุก เหตุการณ์ทุกสภาพดั้เราควรที่จะมาแก้ที่ใจกันดีกว่ามาเปลี่ยนใจจากใจที่ชอบปรุงแต่งมาเป็นใจที่สักแต่ว่ารู้ไม่ปรุงแต่งเป็นใจที่สันโดษสันโดษคือยินดีตามมีตามเกิด ยินดีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏให้เรารับรู้เช่นวันนี้อากาศเป็นอย่างนี้ก็ยินดีกับมันไปพรุ่งนี้ฝนตกก็ยินดีกับมันไปวันเลยนี้แดดออกจ้าอากาศร้อนก็ยินดีกับมันไปใจไม่ได้เป็นอะไรใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปกับเหตุการณ์ต่าง แม้แต่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็ไม่เป็นปัญหากับใจที่ตอนนี้ที่เป็นปัญหาเพราะเกิดจากความหลงของใจไปคิดว่าร่างกายเป็นใจก็เลยไม่อยากให้ร่างกายเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดีไม่อยากให้ร่างกายแก่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย ไม่อยากให้ร่างกายตายแต่ถ้ามาทาใจให้สักแต่ว่ารู้ได้ก็ปล่อยให้ร่างกายไม่แก่เจ็บตายได้ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเป็นอย่างไรก็รู้ไปรู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างนี้ต่อไปรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้น ต่อไปมันแก่เอต่อไปมันเจ็บต่อไปมันตายก็รู้ตามความเป็นจริงท่นั้นเองแล้วใจจะไม่เดือดร้อนใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่วุ่นวายใจจะไม่วิตกกังวลไม่หวาดกลัวกับร่างกายอหรือร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่น ใจเราเดือดร้อนเพราะใจเราไม่มีอุเบกขาไม่สักแต่ว่ารู้ไม่สงบเท่านั้นเองปัญหาโลกแตกเนี่ยปัญหาของคนทั้งโลกเนี่ยของสัตว์ของมนุษย์ของเทวดาของดวงจิต ท, ทุกดวงอยู่ตรงที่มันไม่สงบมันไม่สักแต่ว่ารู้มันไม่เป็นอุเบกขาเท่านั้นเองมันเลยวุ่นวาย พยายามปรับนูน่นปรับนี่ปรับยังไงแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องปรับใหม่ปรับได้สักพักหนึ่งพอใจสักพักหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนใจขึ้นมาอกีกเบื่ออีกแล้วไม่ชอบอีกแล้วเคยชอบกินอย่างนี้ให้กินอย่างนี้ทุกวันเดี๋ยวก็เบื่ออีกแล้วอยากต้องกินอย่างนั้นกินอย่างนี้อยู่ตรงนี้ก็เบื่อ เดี๋ยวต้องไปตรงนู้นอันนี้แหละเพราะใจมันไม่สงบใจมันไม่นิ่งถ้าเรามาฝึกใจทำใจให้สงบใจให้นิ่งให้หยุดคิดปรุงแต่งให้ได้แล้วใจจะสบายอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ เพราะฉะนั้นเราอย่าไปเสียเวลากับการที่ไปปรุงแต่งกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้เลยเสียเวลาเปล่าๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดมันก็ต้องจบลงมันก็ต้องหมดนะต่อไปร่างกายเราตายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรุงแต่งกันสร้างกันมาหากันมา ก็หมดไปหมดจากเรามันยังอาจจะอยู่ต่อไปมันมันก็เป็นเรื่องของคนอื่นที่เขาจะมาปรุงแต่งต่อเช่นบ้านของเราเราตายไปคนอื่นเขาก็มาปรุงแต่งบ้านของเราต่อไปสมบัติเก่าของเงินทองที่เราหามาได้คนอื่นเขาก็มาไปมาปรุงแต่งกับมันต่อไป แล้วก็ตายจากกันไปทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายไปหมดนะเราไปวุ่นวายกับการปลุกแต่งกับสิ่งต่างๆที่ในที่สุดมันก็มันก็หมดไปจากกันไปทําไมไม่ทําในสิ่งที่มันยั่งยืนถาวรที่จะอยู่กับเราไปตลอดความสงบนี่แหละ เป็นสิ่งที่จะอยู่กับใจของเราไปตลอดเป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรและเป็นคุณประโยชน์มากเพราะให้ความสุขแบบไม่จืดไม่จางไม่มีวันเบือ่อกับความสงบความสงบนี้เป็นความสุขเสมอต้นเสมอปลายสุขตอนต้นสุขตอนกลางสุขตอนปลายสุขตลอดเวลา วิธีทำใจให้สงบก็หยุดความคิดปรุงแต่งนั่นเองหยุดปรุงแต่งให้รู้เฉยๆวิธีที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งก็ใช้กรรมฐานใช้สติกรรมฐานก็คืออารมณ์ที่จะทำให้เกิดสติขึ้นมาให้เร า, เราเลึกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นให้เราเลรู้อยู่กับพุทโธพุทโธเนีให้เราพุทโธพุทโธไปเราก็จะห้ามความคิดปรุงแต่งต่างๆได้ลองทำดูไม่ยากเย็นเลยคาว่าพุทโธคำเดียวนี่ทำไมคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้คิดไปรอบโลกได้คิดไปสร้าง ตึกละตึกสูงร้อยชั้นได้สร้างรถไฟฟ้าสร้างเรือดำน้ําสร้างเครื่องบินใช้ความคิดปรุงแต่งชนิดต่างๆที่ยากแสนยากเรายังคิดปรุงแต่งกันได้แล้วไอ้คิดที่ง่ายๆแต่มันไม่คิดกันนะที่มีคนมีประโยชน์กับจิตใจอย่างแท้จริงนะมันไม่คิดกันไม่มีโทษนะคิดไปทางอื่นเนี่ยมันจะต้องเจอความทุกข์ เพราะสิ่งต่างๆที่เราไปอยากได้อยากมีอยากเป็นได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดหมดก็เสียใจทุกใจถ้าไม่ได้ก็เสียใจได้มาก็วิตกกังวลกลัวมันจะไม่มีกลัวมันจะหมดต้องไปมีมันทำไมมีก็ทุกข์ อย่าไปมีมันดีกว่าอยู่แบบไม่มีดีกว่าจะ อ, อยู่แบบไม่มีอย่างมีความสุขก็ต้องหยุดความคิดต้องสร้างสติขึ้นมาต้องใช้กรรมฐานกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้เป็นที่หยุดความคิดปรุงแต่งมีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกัน แต่เราไม่ต้องใช้ทั้ง40ชนิดเราเลือกใช้ชนิดที่เหมาะกับเราเป็นเหมือนกับอาหารเราไปร้านอาหารนี่มีอาหารเต็มไปหมดแต่เราไม่สั่งมาทุกอย่างเราก็เอาแต่อาหารที่เหมาะกับเราอาหารก็มีไว้เพื่อรับประทานให้อิ่ม กรรมฐานก็มีไว้เพื่อทำใจให้สงบให้อิ่มเหมือนกันต่ ว, ว่ากรรมฐานนี่เป็นอาหารของใจก็ได้กรรมฐานสี่สิบชนิดเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มอนุสติสิบเนี่ยอสุภะสิบแล้วอะไรอีกสิบอย่างกสินสิบแล้วก็มีอย่างอื่นอีกสิบชนิดด้วยกัน ถ้าอยากจะทราบก็ไปค้นหาได้ใน Google นี่ลใส่คำว่ากรรมฐานสี่สิบเข้าไปมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วที่เราใช้กันนี้จะอยู่ในกลุ่มของอนุสติอนุสติสิบเช่นพุทธานุสตินี่คือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะระลึกด้วยการสวดบทพุทธคุณก็ได้ อิติปิโสภะกวาอารหังสัมมาสัมพุทโธถ้าเราสวดไปเรื่อยๆเราก็จเจริญพุทธานุสติเราก็จะไปคิดปรุงแต่งถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราคิดอยู่กับพุทธานุสติสวดไปทั้งวันดูเลยสวดไปภายในใจไม่ต้องออกเสียง <c oughs> หรือถ้ามันยาวเราอยากจะสวดสั้นๆเราก็เราเลึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้า พุทโธพุทโธพุทโธไปลองทําดูสิพอลืมตาขึ้นมาเตะขึ้นมาพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถ้ามันคิดถ้ามันไม่คิ ด, คดก็ไม่ต้องพุทโธก็ไนดะ้ถ้ามันไม่ปรุงแต่งถ้าใจไม่ไปปรุงแต่งคิดถึงคนนั้นคิดถึงคน น, คค น, นี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้เราก็รู้เฉยๆไปเรากําลังทําอะไร ai, ก็ให้รู้อยู่ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ ก็ได้ถ้าเราเฝ้าดูการกระทาของเรื่องร่างกายอันนี้ก็เป็นกายกตาสติเราต้องมีอะไรยึดใจไว้ไม่ให้มันไปบุกแต่งถ้าไม่ใช้พุทธานุสติก็ใช้กายกตาสติพอลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาดูว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในท่าไหนอยู่ในท่านอน ถ้าเดี๋ยวพอจะลุกขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นท่านั่งก็รู้ว่าตอนนี้เป็นเปลี่ยนมาเป็นท่านั่งพอจะยืนก็รู้ว่าตอนนี้กําลังอยู่ในท่ายืนะพอกําลังจะเดินก็รู้ว่ากําลังเดินให้อยู่กับอิริยาบถการเคลื่อนไหวต่างๆอย่าให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันไม่ยอมอยู่มันจะไปคิดเราก็ใช้พุโทโธะดึงกลับมาพุโทโธพุโทโธพุโทโธ พอมันหยุดคิดเราก็หยุดพูดโทได้แล้วเราก็มาดูอิรยาบทของร่างกายกาลังล้างหน้าก็ล้างหน้าอยู่กับการล um. ้างหน้าแปรงฟันหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวทำกิจอะไรต่างๆทางร่างกายที่ไม่ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งก็อย่าให้มันคิด ดูมันไปดูร่างกายไปเฝ้าดูการเคลื่อนไหวเฝ้าดูการกระทำของร่างกายเราก็จะควบคุมความคิดปรุงแต่งได้เราจะห้ามมันไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งได้ถ้ามันจะไปก็ลองดึงกลับมาที่ร่างกายดูถ้าไม่ยอมกลับก็ต้องใช้พุทโธพุทโธนี้จะมีกำลังที่จะดึงมันกลับถ้ามันจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้โดยที่ไม่จาเป็นที่จะต้องคิดก็ดึงกลับมา ถ้าเราปฏิบัติธรรมจริงๆเราไม่มีความจาเป็นจะต้องคิดถึงใครเลยเวลาเราไปปฏิบัติธรรมอยู่วาดคนเดียวนี่ไม่ต้องไปคิดถึงใครแล้วเราตัดหมดแล้วเราคิดเรามาหยุดความคิดนะแต่ถ้าเรายังต้องทำงานยังต้องเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้อยู่การที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งนี่มันยากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะต้องเกี่ยวข้องกัน ต้องคอยพบกันต้องคอยทำกิจกรรมร่วมกันมันก็เลยทำให้หยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆไม่ได้ในชีวิตของคารวาะของผู้คองเรือนผู้ที่อยากจะควบคุมความคิดปรุงแต่งเพื่อทำใจให้สงบจึงต้องปีกวิเวกต้องไปอยู่คนเดียวไปอยู่ที่ไม่มีอะไรมา กระตุ้นให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องอยู่ที่มันไม่มีเหตุการณ์ต่างๆมาคอยดึงใจไปถ้าอยู่ในที่ที่มีเหตุการณ์เช่นที่ทางานที่บ้านมันมีเหตุการณ์คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ทำให้เราต้องไปเกี่ยวข้องกับมันพอเกี่ยวเกี่ยวข้องเราก็ต้องใช้ความคิด ก็จะหยุดความคิดปรุงแต่งไม่ได้ถ้าเราอยากจะหยุดความคิดปรุงแต่งเราต้องหาวันที่เราว่างไม่ต้องทำงานไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครถ้าหาวัดไม่ได้ก็ขังตัวเองที่บ้านอยู่ในห้องก็ได้เอาทาบ้านนี้เป็นวัดไปทาห้องที่เราอยู่คนเดียวเขียนป้ายวัด ที่นี่เป็นวัดต้องการความสงบห้ามรบกวนอพอเข้าห้องนี้แล้วถือว่าไปวัดแล้วไม่ติดต่อกับใครไม่ยุ่งกับใครแล้วก็จเจริญสติกันจเจริญกรรมฐานกันเอาพุโทโธบ้างเอา กายกะตาสติคือการเคลื่อนไหวของร่างกายเดินจงกรมก็ใช้กายกะตาสติเวลาเดินก็ดูว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายหรือก้าวเท้าขวาก็ซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาไปหรือพุทโธไปก็ได้ก้าวเท้าซ้ายก็พุทโธก้าวเท้าขวาก็พุทโธไม่พุทโธก็ได้ถ้าดูเฉยๆได้โดยที่ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ต้องพุทโธ ดูการก้าวเท้าไปถ้าทำงานก็ดูการทำงานกวาดบ้านก็ดูกวาดบ้านค่ะกำลังกวาดกำลังถูกำลังเช็ดเนี่ยกำกลังทำอะไรให้ดูการกระทาของร่างกายเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นแล้วเราจะหยุดความคิดปรุงแต่งได้แล้วถ้าเราไม่ต้องทำอะไร เราอยากจะทำให้นิ่งเต็มที่สงบเต็มที่หยุดความคิดปรุงแต่งได้เต็มที่ก็ต้องนั่งหลับตาพอนั่งหลับตาถ้าเราจะดูกายมันกายไม่เคลื่อนไหวเราก็ต้องเปลี่ยนดูสิ่งที่ยังเคลื่อนไหวอยู่สิ่งที่ยังเคลื่อนไหวก็คือลมหายใจลมหายใจดูลมหายใจก็เรียกว่าอน า, านาปณสติ อันนี้ก็มีสติรู้อยู่กับลมเข้าลมออกอาณาแปลว่าลมเข้าปานะแปลว่าลมออกหรือสลับกันจำคำแปลไม่ได้อาณาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกหรือลมออกลมเข้าดูดูลมเข้าลมออกแทนดูการแทนถ้าเดินจงกรมก็ดูเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปพอนั่งก็ดูลมเข้าลมออกไป พอเวลาเดินลมมันจะดูยากกว่ามันละเอียดร่างกายดูเท้ามันชัดกว่ามันง่ายกว่าแต่เวลานั่งมันไม่มีเท้าให้ดูแล้วเท้ามันไม่ขยับส่วนร่างกายต่างๆมันไม่ไม่ขยับแล้วก็ต้องมาดูที่ลมหายใจแทนหรือถ้ามันจะไม่ยอมดูลมก็ใช้พุทโธแทนก็ได้ พุทโธนี้ใช้ได้กับทุกอิริยาบถเลยทุกเวลาทุกสถานที่ทุกเหตุการณ์พุทโธได้หมดเ้าอยากจะหยุดความคิดก็พุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าใช้อย่างอื่นหยุดไม่ได้ก็ใช้พุทโธเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็จะสงบใจก็จะหยุดคิดปรุงแต่ง แล้วก็จะมีความสบายถึงแม้จะอยู่ในถามกลางเหตุการณ์ที่วุ่นวายแต่ใจก็จะสบายใครด่ากันว่ากันทะเลาะกันเราพูดโทพูดโธของเราไปแล้วเราจะไม่ต้องไปวุ่นวายไปกับเขาถ้าเราไม่พูดโทรเราอดไม่ได้เดี๋ยวต้องอดเข้าข้างคนนั้นอดเข้าข้างคนนี้ไม่ได้เดี๋ยวอดที่จะไปร่วมกับเขาไม่ได้ แ้่เราพูดโธพุโทโธพุโทโธไปเราก็จะสักแต่ว่ารู้ไปรู้เฉยเฉยไม่ไปปรุงแต่งว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิดเนีเรื่องของชาวบ้านมันก็มีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาทะเลาะกันมันก็ต้องมีคนผิดคนถูกอยู่แล้วเราอย่าไปวุ่นวายไปกับเขาดีกว่าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแต่เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องพูดไม่มีหน้าที่จะต้องทําอะไรก็พุโทโธของเราไป ถ้ามีหน้าที่พูดหน้าที่ทำก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องทำตามเหตุตามผลใครผิดก็ว่าผิดใครถูกก็ว่าถูกไปถ้าไม่มีความจำเป็นก็อย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าใครเขาจะผิดเขาจะถูกให้เขาไปตกลงกันเองเราไม่ต้องไปเป็นผู้ตัดสิน เดี๋ยวตัดสินก็จะโดนลูกหลงอีกไปติตัดสินคนนี้ผิดเดี๋ยวคนนี้ก็ไม่พอใจแล้วก็ไม่สำคัญอนะให้การต่างๆเรื่องราวต่างๆที่มีคดีกันมีปัญหากันเดี๋ยวตายไปมันก็จบหมดนะใช่ไหมเห็นไหมสงครามโลกผ่านมากี่สงครามแนละ้วสงครามในอดีตมีสักกี่สงครามนะ มันก็ผ่านไปมันก็จบไปหมดใช่ไหสิ่งที่ได้มาก็พังไปหมดแล้วอาณาจักรต่างๆอาณาจักรโรมันอาณาจักรกรีกอาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรอยุธยาู้กันตายฆ่ากันไปฆ่ากันมาสร้างกันไปสร้างกันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ตายกันไปหมดใช่ไมไม่มีใครอะไรไปได้ทักอย่างของที่ทำไว้ในที่สุดก็กลายเป็นซากปรักหักพังไป นี่คือสิ่งที่เราไปวุ่นวายกันวุ่นวายโดยที่ไม่ได้อะไรได้มาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็ตายกันไปทิ้งเงินไปหมดะคนชนะก็ตายไปคนแพ้ก็ตายไปทิ้งสิ่งที่ได้กันไว้ให้คนรุ่นหลังมาฆ่ากันใหม่แล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ให้คนรุ่นต่อไปมาฆ่ากันใหม่เราฆ่ากันมาทุกยุคทุกสมัย เพราะความคิดปรุงแต่งของเรานี่แหละคิดว่ามันดีมันต้องเป็นของเราอยากได้เป็นของเราฉะนั้นพออยากได้ก็ต้องสร้างกำลังหาเพื่อที่จะได้ใช้กำลังนี้ไปบีบบังคับให้เขาให้ในสิ่งที่เราเราอยากได้เห็นไหมพวกฝรั่งสมัยก่อนก็มีเปินมีเรือกุสานั่งเรือข้ามทะเลมาเพื่อมาอมาเอาดินแดนกันแถวนี้ ในแนแถวนี้เมื่อก่อนมีฝรั่งที่ไหนพอฝรั่งมีเรือมีปืนก็เลยส่งเรือส่งปืนมาแล้วก็มายึดแผ่นดินใช่ไหมอินเดียทั้งประเทศนี่อังกฤษเอาไปกินมดใช่ไหมแคนาดา ล, ลาวฝรั่งเศสเอาไปมีประเทศไทยนี่มีพุทธศาสนานรู้สึกคุ้มครองฝรั่งเอาอไปไม่ได้ เนี่ยเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินเคยบวชเคยศึกษาธรรมะก็ใช้บวเมตตาดีกว่าใช้ความสัมพันธ์ทาไมตีเขาไลายมาเราดีกลับไปเขาก็เลยทำอะไรเราไม่ลงก็เลยเราลออเนี่ยแปลกนะชั่วทุกประเทศในเอเชียเนี่ยมีประเทศไทยนี่นะ ที่อยู่รอดมาโดยที่ไม่ต้องมีใครมามาเป็นเจ้าของหรือเป็นก็เป็นชั่วคราวสมัยสงครามโลกก็ยอมญี่ปุ่นพอญี่ปุ่นแพ้ก็ยอมฝรั่ง <c ười> คือลรรู้จักยอมทุอย่าง <c ười> ยอมหยุดแล้วก็เย็น <c ười> ไม่ต่อสู้กับใครสู้ไปทำไมเหนื่อยไปเปล่า เขาอยากจะได้อะไรเอาเอาไปอยากได้ก็เอาไปฝรั่งเศสอยากจะได้ดินแดนของลาวของเขมรก็ให้ไปอังกฤษอยากจะได้มะเลก็ให้ไปเมื่อก่อนเป็นของไทยอย่านเงีออเพราะว่ารัชกาลที่ห้าท่านเคยรัชกาลที่สี่ท่านเคยบวชพระเนี่ยรัชกาลที่สี่รัชกาลที่ห้าท่านบวชพระกัน รัชกาลที่สี่นี้ท่านบวชต้องยี่สิบกว่าปีเป็นผู้สร้างวัดบวรขึ้นมาเป็นผู้เริ่มนิกายธรรมยุทธ์ขึ้นมารัชกาลที่สี่ท่านก็ใช้หลักธรรมะฉลาดท่านส่งลูกไปเรียนกับฝรั่งเลยไปเรียนรู้ไปรู้จักฝรั่งก็เลยเป็นเพื่อนกับฝรั่งเลย ก็เลยรู้จักวิธีคิดของเขารู้จักอะไรต่างๆนะอเราอย่าไปคิดปุงแต่งให้มันเหนื่อยยากเลยให้มองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากมีอยากได้อยากเป็นกันนั้นมันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเพราะชีวิตเราก็ชั่วคราวแล้วร่างกายของเรามันก็แค่แปดสิบเก้าสิบปีมันก็จบแล้ะเงินทองอะไรต่างๆหามาได้มากน้อยไป เดี๋ยวก็ต้องทิ้งมันไปหมดมาตัวเปล่าๆแล้วก็ไปตัวเปล่าๆแต่อยู่กันอย่างวุ่นวายอยู่กันแบบไม่สบายใจกันตลอดเวลาเพราะชอบปรุงแต่งอยากได้เนื่นอยากมีนี่ได้แล้วก็ปรุงแต่งอยากให้มันอยู่กับเราไปนานๆานเป็นของเราไปนานๆาไม่อยากให้จากกันแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะบยับยัางได้ ทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวก็ตั้งหมดไปสู้อยู่แบบเย็นสบายเดี๋ยวกะอยู่อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรใจของเรานี้ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องมาเกิดในโลกนี้อยู่แบบไม่มีร่างกายได้อยู่แบบไม่มีโลกนี้ได้อยู่ในโลกทิพย์อยู่ในโลกทิพย์ใจของพวกเราทุกคนอยู่ในโลกทิพย์แต่ไม่ยอมอยู่ในโลกทิพย์กันชอบมาอยู่ในโลก ของมนุษย์กันชอบมาวุ่นวายกันแล้วก็อยู่ได้ไม่นานก็ต้องทิ้งมันไปพอทิ้งไปได้สักพักเดี๋ยวก็กลับมาใหม่กลับมาเกิดใหม่กลับมาวุ่นวายใหม่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วเป็นแสนล้านครั้งแล้วกลับที่เรามาเกิดกันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ครั้งสองครั้งไม่ใช่สิบยี่สิบครั้งเป็นแสนเป็นล้านล้านครั้งแล้วจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ถ้าเรายังคิดปรุงแต่งกันอยู่อปรุงแต่งมันก็จะปรุงแต่งหารูปเสียงกลิ่นรสหาความสุขทางตาหูจมูกร่างกายตั้งแต่ตืน่นขึ้นมามันก็ปรุงแต่งแล้วเดี๋ยวจะดูอะไรเดี๋ยวจะกินอะไรเดี๋ยวจะฟังอะไรเดี๋ยวจะดื่มอะไรเดี๋ยวจะไปพบอะไรไปมันก็เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสทั้งนั้นไปถึงเวลานอนหลับเนี่นอนหลับก็พักผ่อน พอตื่นขึนมาก็ปรุงแต่งใหม่ไปหาสิ่งนั้นไปหาสิ่งนี้ไปหาคนนั้นไปหาคนนี้ไปจนถึงวันตายตายก็พอตายไปก็ไปปรุงแต่งไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อจะได้มาใช้ร่างกายอันใหม่มาหาสิ่งต่างๆที่อยากได้ใหม่ทาอย่างนี้มาอยู่ตลอดเวลาไม่มีวัน นับไม่ท่วนเวลาว่ามันยาวนานสักแค่ไหนและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่มาทำใจให้สักแต่ว่ารู้มาทำใจให้หยุดความคิดปรุงแต่งถ้าใจหยุดความคิดปรุงแต่งสักแต่ว่ารู้ใจจะมีความสุขในตัวเองจะไม่ต้องไปหาความสุขผ่านทางร่างกายต่อไปก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกาย พอมีร่างกายก็มีได้ชั่วคราวมีได้ไม่กี่ปีมันก็ตายไปแต่ความอยากที่ความคิดปรุงแต่งที่อยากได้สิ่งต่างๆมันยังไม่ตายไปกับร่างกายมันก็ไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายใหม่มันก็มาใช้ร่างกายอันใหม่มาวุ่นวายกับสิ่งต่างๆอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้ต่อไปเป็นอย่างนี้มาตลอด วุ่นวายมาตลอดทุกมาตลอดโดยไม่รู้สึกตัวความสุขที่ได้ก็ได้เดียวเดียวได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็มาทุกมาวุ่นวายกับการหาความสุขใหม่มาวุ่นวายกับการรักษาความสุขที่ได้มาใหม่แล้วก็มาวุ่นวายมาเสียใจกับการสูญเสียความสุขที่ได้มาไปแล้วก็ไปวุ่นวายหาความสุขอันใหม่ต่อ ทุกวันนี้เราวิ่งตะคุกเงากันเข้าใจไหยฮะความสุขที่เราหานี่เหมือนเหมือนเงามันจะหลอกเรามันจะล่อเราอยู่ข้างหน้าอยู่เรื่อยๆได้สิ่งนี้แล้วจะมีความสุขอ้าวพอได้มาแล้วอะสุขเดี๋ยววหายไปไหนละอ้าต้องหยุดไปไปอยู่กับสิ่งใหม่นะอ้าวได้ได้สิ่งนี้มาปั๊บดีใจเดี๋ยวๆอ้าวเดี๋ยวอยากจะได้สิ่งนู่นละ อความสุขมันหนีจากสิ่งนี้ไปไปอยู่กับสิ่งนั้นแล้วเห็นมไหมพอไปพอไปเอาสิ่งนั้นมาเดี๋ยวความสุขมันก็หนีจากสิ่งนั้นไปหาไปอยู่กับอย่างอื่นอีกเนี่ยเราวิ่งตะคุกเกากันหาเท่าไหร่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปไม่เละไม่มีวันจบดูดูพวกเศรษฐีเลยเขาซื้อข้าวของงินเต็มไปหมดเคยได้ยินเศรษฐีอาลับไหม้็ คนหนึ่งบอกซื้อรถต้องสี่ห้าสิบมีรถเป็นร้อยคันเนี่ยต้องสร้างโกดังเก็บรถไว้ไม่ใช่ลงจอดรถโกดังเก็บรถเมื่อก่อนนี้ก็มีเศรษฐีที่อยู่แถวนี้เป็นเจ้าของโรงแรมมีรถอังกฤษโรล r o y อยหรือเบ t เล y หรืออะไรไม่ร้ตัวเองไม่ได้ขับเราให้ลูกน้องขับเพราะว่าจอดทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ เดี๋ยวแบตมันเสียอยางมันเสียลูกน้องก็ชอบทําบุญชอบซื้อน้ําปาะนะน้ําแข็งน้ําปาน้ามาถวายพระขับรถขึ้นมาโหตอนต้นคิดว่าเป็นเศรษฐีหอกเปล่าครับผมผมเป็นคนขับรถแต่เจ้านายเขาบอกต้องให้ขับรถให้มันวิ่งผมชอบทําบุญผมก็เลยอาศัย <laughs> ขับรถมาทําบุญ ตอนนี้เจ้านายตายไปแล้วเลยไม่ต้องมาขับละลูกน้องก็ตกงานไปรถก็พังไปเลือกขายไปเนี่ยเป็นอย่างนี้ยคนเราพอมันมีกําลังจะซื้อมันก็ปรุงแต่งจะซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะมันเห็นแล้วมันคิดว่าได้มาเราจะสุกไงเวลาซื้อมาใหม่ๆ ม, มันก็สุข รอขับไปสักพักก็มีรุ่นใหม่หรือมีอีกยี่ห้อหนึ่งออกมาแนละ้วความสุขมันหนีจากคันนี้ไปอยู่คันนูน้นถ้าอยากจะได้ความสุขก็ต้องไปซื้อคันใหม่เอาจจริงเน่ยมันเป็นอย่างนี้ความสุขมันอยู่กับอยู่เดียวๆแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแม้แต่คนเห็นไหมคนบางคนมีภรรยาหลายคนไหมมีสามีหลายค น, ยคนแต่งกับคนนี้สักพักหนึ่งอา้าว ความสุขมันไปอยู่กับอีคนหนึ่งนะมันเลยต้องอยากับคนนี้แล้วก็ไปตายกับคนใหม่นะพวกเรากําลังวิ่งตะคุบเงากันถ้าเรายังหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่หาความสุขจากคนนั้นคนนี้หาความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนีอ้อยู่เราจะต้องวิ่งหามันอยู่เรื่อยๆเหมือนเงาเราเนี่ยให็หมั ห, หมเงาเรามันทอดไปข้างหน้าอยู่เลยพออยากจะไป ตะคร hem, ุบพอไปหาเงาอยู mind, around, so ่ตรงนู้นเราพอเดินไปถึงตรงนู้นอาะมันมันหนีเราไปละมันหนีไปอยู่ตรงนู้นละเขาถึงเรียกว่าตะครุบเงานความสุขต่างๆที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขเนี่ยพอเราได้มันมาแล้วปั๊บเดียวอมันหายไปละมันหายไปอยู่กับสิ่งอื่นต่อแล้วนั้นต้องมาหาความสุขที่ไม่หนีเราความสุขที่ไม่หนีเราเนี่ยก็คือความสงบเนี่ย พอมันสงบแล้วมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่เห็นว่ามีอะไรที่จะมีความสุขเท่ากับความสงบต่อให้ได้เงินมาเป็นร้อยล้านพันล้านต่อให้ได้เพชรมาขนาดกําปั้นมันก็ไม่มีความไม่มีรสชาติเหมือนกับรสแห่งธรรมรสของความสงบเนี่ยมันมีรสชาติมากมัน รสของทรัพสมบัติเข้าของเงินทองนี้มันจืดชืดนะถ้ามาเปรียบเทียบกับรสของธรรมรสของความสงบนี่มันเป็นรสที่หวานมากให้ความสุขมากกว่าความสุขทั้งปวงตอนมันได้รสแห่งธรรมแล้วได้ความสงบแล้วมันไม่ต้องการอะไรต่อไปพระพุทธเจ้าจึงไม่ต้องกลับมาเกิดนะพระอรหันตสาวกก็ไม่ต้องกลับมาเกิด แต่ก่อนที่เป็นพระพุทธเจ้าก่อนเป็นพระสาวกนี้กลับมาเกิดกันทั้งนั้นเจ้าชายสิทธัตถะมาจากเจ้าพระเวชสันดอนก่อนยังมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็เป็นพระเวชสันดอนมาก่อนพระเจ้าสิบชาติเนี่ยที่เราได้ยินได้ฟังก็เป็นภพชาติของพระพุทธเจ้าเหล่านี้แหละเป็นพระเตมีบ้างพอตายจากเตมีก็ไปเป็นพระมหาชนกจากมหาชนกก็ไปเป็นพระเวชสันดร เพราะเวทสันดนก็มาเกิดมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะพอมาเป็นพระพุทธเจ้าปั๊บจบแล้วไม่มีพบชาติอีกแล้วไม่ไปเป็นอะไรต่อไปแล้วพอพอแล้วได้ความสุขทื่นเนนือกว่าความสุขทั้งปวงแ ล, วแล้วเป็นความสุขที่ไม่ยะไม่ยากเย็นเหมือนกับการถูกกอตอลี่รางวัลที่หนึ่งเนะี่ยกแกตกอต์ลี่นี้แล้วยากยิ่งกว่าการทาใจให้สงบเชื่อไห คิดดูกี่คนที่เกิดมาแล้วซื้ออตตอรี่แล้วถูกอตตอรี่กันในชาตินี้ชาตินี้เราเคยถูกลอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันหรือยังเราคิดว่าจะถูกไอมแต่ทําใจให้สงบนี่ทุกคนทําได้ไม่ยากเย็นอะไรเลยอพรจจะพุทธเจ้าบอกเจ็ดวันไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็แค่เจ็ดปีต้องทําใจให้สงบได้ ถ้ามีความตั้งใจที่จะเอากรรมฐานเนี่ยเอาจเจริญพุทธานุสติกาย ะ, กะตาสติอานาปนาสติเนี่ยมาหยุดความคิดปรุงแต่งให้ได้เดี๋ยวใจก็สงบเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยนั่งสมาธิพอเราอ่านหนังสือเราก็ลองทดลองทําดูทําไปบังคับมันทําไปทําแบบเอาจริงเอาจังกับมันเอคยทํางานก็ลาออกเลยเอางานทําความสงบนี้เป็นงานแทน พอเราเห็นว่ามันคุ้มค่ากว่าเงินเดือนที่เราได้จากการไปทำงานความสุขที่ได้จากเงินเดือนกับความสุขที่ได้จากความสงบนี่มันคนละโลกเลยแม้แต่มันจะเป็นความสงบเพียงแวบเดียวในระยะแรกๆเคยลองเคยลองนั่งแล้วมันมันสงบแวบเดียวโอ้โหมันรู้สึกมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกไม่รู้ว่าเรานี่หนัก อ, อกหนักใจมานานทักเท่าไหร่ พอเรงที่แบกนานๆมันไม่รู้ว่าตัวเองแบกของนะพอมันชินพอเอของลงจากบานท่านั้นมันถึงจะรู้โอ้โหเราแบกของหนักมาต้องนานนะไปแบกมันทําไมการหาความสุขต่างๆในโลกนี้มันทําให้เราหนัก อ, อกหนักใจกันกว่าจะได้ความสุขมาแต่ละครั้งนี่มันแทบจะน้ําตากระเด็นเลือดตากระเด็นอันนี้แหละถ้าลองได้สัมผัส กับตัวอย่างหนังตัวอย่างไม่ต้องเอาหนังจริงอ่ะเพียงแคแ่งูแลบลิ้นก็พอเนี่ยเรียกวความสุขแบบงูแลบลิ้นเนี่ยจิตสงบแว บ, บเดียวเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกโอโห่มหัศจรรย์ใจว่าว่ามีความสุขอย่างนี้อยู่ด้วยเหรอเกิดมาไม่เคยเจอความสุขแบบนี้เลยพอได้เจอครั้งเดียวแล้วเทนี้มันเปลี่ยนวิธีหาความสุขละเมื่อก่อนทํางานหาเงินหาทองเพื่อจะได้ไปซื้อความสุข สิ่งต่างๆเปลี่ยนมาเป็นเอามาหาความสงบดีกว่ า, าก็เลยลาออกจากงานเคยทำงานอยู่ลาออกเลยไม่เอาละเอาเวลามาหาความสงบดีกว่ามันมันคุ้มค่ากว่าลดแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงแม้แต่เพียงนี้เคยสัมผัสเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองไม่รู้เหมือนกับโชคดีมันเหมือนกับแทงหวยขราง้างแรกก็ถูกเลย นั่งสมาธิข้างล่างปั๊บเดียวมันันก็สงบแล้วโอ้แลกใจก็เลยแลยวก็ออกจากงานได้เลยแปลกเมื่อก่อนหางานถ้าเป็นแทบตายแต่อพอได้ไอ้ไอ้ความสงบนี้เพียงแวบเดียวนี้งานเงินงานเงินไม่อยากได้แล้วนี่อยากจะได้ความสงบ เมื่อก่อนเราก็เหมือนยตดโยมนี่แหละก็หาเงินหาทองไปเรียนหนังสือแทาเป็นแทบตายเพื่อจะได้มามีงานทำทำงานแล้วก็เอาเงินไปใช้ใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอใช้เครียดกับการทำงานเครียดอยู่ตลอดเวลาพอได้มาอ่านหนังสือธรรมะได้อ่านเรื่องเรื่องการทาใจให้สงบเรื่องกรรมฐานเรื่องสติพอลองปฏิบัติดู มันเข้าท่าเนี่ยใหม่ๆก็นั่งยังไม่สงบล่กแรกๆครั้งสองสามครั้งแต่ไม่นานมันอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งมันมันมันมันวุบเข้าไปไงก็ไม่รู้โดยที่เราไม่ไม่รู้สึกตัวนะมันวุบเข้าไปนิ่งเดียวเดียวแวบเดียวมันรู้สึกสบายเบาอกเบาใจแต่พอได้ได้สัมผัสการนั้นแล้วทีนี้มันไม่อยากได้อะไรแล้วคิดลาออกจากงานเลย งานก็ทำมาเพิ่งได้ได้ไม่กี่เดือนทำได้ประมาณสักห้าเดือนก็ไม่เอาละได้ได้งานใหม่ได้งานใหม่ที่ดีกว่างานที่ได้ทำอยู่งานที่ทำอยู่ได้ความสุขแบบแบบที่แบบแบบตะคุบเงาเนี่ยพอมาได้ความสุขแบบนี้รู้สึกว่ามันมันมีอยู่ในตัวเราเนี่ยว่าเราไม่ต้องไปหา ข้างนอกไม่ต้องไปหาจากอะไรจากใครที่ไหนความสุขแบบนี้พวกเราทุกคนมีสิทธากันได้ไม่ต้องแย่งกันไม่เหมือนกับความสุขทางโลกที่เราหากันนี้แย่งกันเห็นไหมวันหยุดทีนึงแย่งกันออกออกออ ก, ออกนอกเมืองกันรถติดยาวเหยียดไปดูหนังไปไปแหล่งอ่า ศูนย์การค้าหรือที่ไหนที่มีคนเยอะๆก็ไปแย่งกันไปเบียดกันไปดูกีฬาไปดูฟุตบอลที่นี่โหวคนเป็นเห็นไหมนั <c oughs> ่นมันได้เลยไปนั่งเฮฮาเฮฮากันเดี๋ยวเดียวซื้อไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบดีกว่าไม่มีอะไรที่จะวิเศษเท่ากับความสงบขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเถอะแล้วลองทำดู ลองทำที่ได้พูดอยู่เนี่ยฝึกสติกันนะเอากรรมาฐานมาใช้ลืมลืมตาขึ้นมาก็คอยควมคุมความคิดปรุงแต่งเลยถ้าไม่พุโทโธพุโทโธก็เฝ้าดูว่าตอนนี้ร่างกายเรากำลังอยู่ในท่าไหนกำลังทำอะไรอยู่จับใจผูกไว้ให้ติดอยู่กับร่างกายอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้ามันจะคิดกระใช้พุโทโธดึงมันมา พอเราทําหน้าที่ทางร่างกายอาบน้าอาบท่ากินข้าวเสร็จถ้ามันไม่ต้องไปทํางานก็นั่งสมาธิเลยลองนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปหรือดูลมไปมันจะสงบไม่สงบไม่เป็นปัญหาขอให้เริ่มทําไปเถอะเดี๋ยวมันก็ต้องสงบเองเหมือนหัดพิมพ์ดีดตอนต้นพิมพ์ดีดต้องหัดยังไงต้องคอยจิ้มอันนี้ถ้าอยากจะพิมพิมพ์สัมผัสนี่ก็ต้องไปจิ้มมันไปเรื่อยๆจิ้มให้มันชํานาญ นิ้วนี้ก็จิ้มตัวนี้นิ้วนี้ก็จิ้มตัวนั้นต่อไปเดี๋ยวมันก็พิมพ์สัมผัสได้การฝึกสมาธิก็แบบเดียวกันเหมือนกับการฝึกทําอะไรต่างๆที่เราไม่เคยทํามาก่อนใหม่ๆมันก็จะรู้สึกยากรู้สึกไม่ไ ม, ไม่ไม่ถนัดแต่พอเราฝึกทําไปเรื่อยๆเราถนัดสิ่งที่เราต้องฝึกให้มากก็คือสติให้ถนัดในการที่มีสติไว้คอยควบคุมใจของเราถ้าเราใช้พุทโธได้เนี่ย ถึงแม้เราจะนั่งสมาธิไม่ได้ก็ตามพุโทโธนี่ช่วยเราได้มากนะเวลาอารมณ์ไม่ดีก็พุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็หายละเวลามีเรื่องมีราวกับใครก็พุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ลืมเรื่องที่ทําให้เราเอไม่สบายใจนะเวลาอยากจะไปไหนอยากจะทําอะไรแล้วไม่ได้ทําก็พุโทโธพุธโทโธไปเดี๋ยวพอใจลืมเรื่องที่อยากจะทํามันก็หายละหายงดกงิด้ายลาคาญใจอืม แล้วถ้านั่งเฉยๆได้แล้วถ้าพุทโธได้มันนิ่งสงบได้มันจะพบกับสิ่งที่มหาสัจจใจพบกับความสงบที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงลถแหง่งธรรมที่ชนะลดทั้งปวงอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญที่เราได้รับจากพระพุทธเจ้ามรดกที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับโลก ที่มีคุณค่ายิ่งกว่ามรดกทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ที่องค์กรสาธชารณชาติเขาไปกําหนดสถานที่นั้นว่าเป็นมรดกโลกเนี่ยสู้มรดกที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราไม่ได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่มีวันที่จะได้พบกับมรดกที่น้ําค่าคือนิ บ, บานังปลมังสุขขังความสงบ บาลมสุขของพระนิพพานก็คือจิตที่สงบจิตที่ปราศ จ, จากกิเลสตัณหานี่อันนี้เป็นของขวัญที่พระพุทธเจ้ามอบให้กับพวกเราทุกคนเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นรับของขวัญ น, นี้ได้เราต้องไปรับกับมือต้องไปรับด้วยสติรับด้วยปัญญาถ้าเราฝึกสติฝึกปัญญาต่อไปเราก็จะได้นิพพานังบาลมสุ ข, ขงัง ได้ลถแห่งธรรมที่ชนะลถทางปวงออก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริกปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกัรปติอิชิตังปฏิตังตุมห um ังคิปเปเมวะสมิจจโตสาเพปุเรนโตจังกปา จันโทปนะหราโสยะธามณิโชติหระโสยะธาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตปวัตตวันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภพิวาทนาศสีิตธะนิจังวุธาปจายโนจตาารุธรรมะวะทานติอายุวันโอสุขังภาลางังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับวันนี้วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาที่สี่้ยหกสิบเก้าครับ YouTube เข้ามาที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าวิทยุออนไลน์เข้ามาที่ยี่สิบหกรับฟังบนข่าวสี่สิบห้าคนรวมทั้งสิ้นหก5้อยเจ็สิห้าคนครับนี่ใครอยากจะถามคำถามอะไรไหมถามได้นะถ้ายังไม่มีคำถามก็เดี๋ยวถ้าอยากจะถามถามทีหลังก็ได้ตอนนี้ก็ลองให้ทางบ้านที่มีคำถามลองส่งคำถามเข้ามาดู ครับคำถามแรกจากทางจากทางไลน์ครับจากคุณเต้ยครับเวลาท่องพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเหมือนคนจะจมน้ําเหมือนลมหายใจเราสั้นลงหมายความว่าอย่างไรครพระอาจารย์ช่วยชี้แนะทางด้วยคะ่ะมันก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมันก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันอ มันไม่น่าจะเป็นมันอาจจะเป็นเรื่องปฏิกิริยาของใจมากกว่าของกิเลส ท, ที่มันจะคอยต่อต้านการใช้คาบริกรรมมันจะสร้างอาการอะไรต่างๆมาหลอกมาล่อเราเราอย่าไปสนใจมันฮะเวลาคิดไปเที่ยวคิดเคียงขนมมันไม่เป็นนะใช่ไหมพอให้คิดพูดโทนี่มันอะไรก็ไม่รู้โผล่ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลย คำถามต่อไปจากจากทางไลน์ครับอากาบเรียนถามพระอาจารย์มีคำถามดังนี้ครับหลักการของกาลมาสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้ว่ามิให้เชื่อในสิ่งที่ได้ยินในทันทีต้องนำสิ่งเหล่านั้นมาโยนิโสมนสิการพิจารณาหาเหตุและปัจจัยว่าเป็นจริงเป็นไปตามธรรมที่แท้จริงหรือไม่เป็นสิ่งที่สมควรกระทาหรือไม่ครับ ก็ถูกต้องไงพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปเชื่อใครใครมาพูดอะไรเราก็ให้ฟังหูไว้หูคือไม่ให้เชื่อแต่ก็ไม่ให้ปฏิเสธเพราะเราไม่รู้ว่าเขาพูดที่สิ่งที่เขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้าเราเชื่อเกิดไม่จริงเราก็ถูกหลอกถ้าเราไม่เชื่อเกิดเป็นของจริงเราก็อาจจะเสียโอกาสไปเสียประโยชน์ไปได้ อย่างคำสอนพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บังคับให้เราเชื่อทันทีพระพุทธเจ้าบอกก็เอาไปพิสูจน์ดูว่าทาบุญแล้วมีความสุขไหมรักษาศีลแล้วสบายใจไหมนั่งสมาธิแล้วสงบไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในทุกกรณีกับไม่ว่ากับใครก็ตามที่ใครเข้ามาบอกอะไรเราแล้วเนี่ยถ้าเราเชื่อเหมือนกับเรา มันก็เป็นเหมือนคนตาบอดไปถ้าเชื่อก็เหมือนกับว่าเขาจะพาเราไปนู่นมานี่เราก็ต้องตามเขาไปใช่หไหมเขาพาเราไปไปทำร้ายเราก็ไม่รู้ก็ได้เะฉนั้นเราต้องออต้องมีการทดสอบดูใครมาพูดอะไรเราก็ต้องไปพิสูจน์ดูกันว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นจริงหรือไม่ อย่างเรื่องกระต่ายตื่นตูมนี่ก็เป็นตัวอย่างของการเชื่อแบบไม่มีการไต่ตองกระต่ายมันนอนอยู่ใต้โคนต้นตาลพอต้นตาลหล่นลงมามันตกใจตื่นมันบอกหู้แผ่นดินถล่มวิ่งใหโกยสัตว์อื่นเห็นแต่กระต่ายวิ่งก็ถามว่าเกิด อ, อะไรขึ้นกระต่ายบอกว่าแผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวโอ้ยตัดตัวเองก็ตื่นตามวิ่งตามกันไปหมดเนี่ยจนไปเจอราชสี ราชาสีถามว่าพวกเธอไปไหนกันเนี่ยหนีแผ่นดินไหวราชาสีมันไหวตรงไหนวะไหนพาไปดูหน่อยสิพอไปดูที่จุดเกิดเหตุก็ไปเห็นลูกตาลอยอ๋อมันไหวเพราะอ้ลูกตานี่เองรู้ปะเนี่ยคือการพิสูจน์ความจรงิงอย่าไปเชื่อต้องเป็นแบบราชาสีหอราชาสีนี่เขา ฟังหูไว้หูกันฮะเขาก็ไม่ปฏิเสธเนียเขาว่าไม่จริงหรือจริงเขาว่าไหนขอไปดูหน่อยเพื่ว่าไอ้ที่ว่ามันไหวมันไหวตรงไหนเนีก็จะได้รู้กันนี่คือหลักของการนมาสู่ส่วนบุคคลที่ส่วนเหตุที่ทําให้เราไม่ต้องเชื่อสิบประการก็อย่าไปเชื่อตามคําล่ําลืออย่าไปเชื่อเพราะเราคิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆออย่าไปอย่าไปเชื่อเพราะว่าเขาเป็น ครูเป็นอาจารย์เราแม้แต่ครูอาจารย์บางทีก็ยังไม่เชื่อทันทนะีพ่อแม่ก็ไม่ต้องเชื่อทันทีพ่อแม่สอนอยังไงเราก็ต้องเอาไปพิสูจน์ดูหรือถ้าเรามีมีความมั่นใจว่าพ่อแม่เขาผ่านมาแล้วเขา เขาเขาพูดจริงๆเราก็เชื่อได้ก็มีบางกรณีก็เชื่อได้ทันทีโดยเฉพาะพ่อแม่นี่ยากน้อยพ่อแม่ที่จะมาสอนหลอกลูกมีแต่สอนให้ลูกได้ดิบได้ดีกันทั้งนั้นยันพ่อแม่อาจจะเป็นกรณียกเว้นแต่ก็ไม่ทุกกรณีไปเจอพ่อแม่ไม่ดีก็มีหลอกลูกเอาไปเอ า, เ, อาเอาลูกไปขายได้ก็มี <c oughs> ยังงั้ก็ต้องดูนะ คำถามต่อไปครับจากทางอินบ็อกซ์ครับพระอาจารย์คะมีผู้ชายคนหนึ่งบอกกับหนูว่ า, าศาสนาพุทธการวิญว่ายการเวินว่าวยตายเกิดไม่มีอยู่จริงพูดผีวิญญาณไม่มีอยู่จริงเขาบอกว่าทุกวันนี้บิดเบือนไปจากเดิมเยอะหนูเลยบอกไปว่าแปลว่าคุณก็ไม่เคยกรวดน้ำให้ญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วหรือปู่ย่าตายายคนที่ไม่เชื่อเรื่องวิญญาณก็คงไม่แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยสิคะ แตู่หนูงงทำไมคิดแบบนั้นบทแผ่เมตตาทุกอย่างมีมาแต่สมัยพระพุทธเจ้าหนูขอความรู้กับพระอาจารย์เพิ่มทีค่ะก็อย่างที่พูดที่เขาพูดอะไรก็ปล่อยเ็าพูดไปถ้าเราเป็นชาวพุทธเราถ้าเราต้องเลือกเชื่อเราก็น้องเลือกเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ก่อนเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ได้รับการพิสูจน์มาจากคนเยอะแยะแล้วว่า พูดความจริงสวากขาโตภะกวตาธรรมโอคำสอนคุณติจาเป็นคำสอนที่ถูกต้องแม่นยำสวากขาโตภะกวตาธรรมตัดไว้ชอบคือถูกต้องแล้วถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ ได้มีผู้รับรองรับประกันคือพระสาวกทั้งหลายมาแล้วทุกยุคทุกสมัยไม่มีพระอรหันต์รูปไหนจะมาบอกว่าคำสอนพพุทธเจ้านี้บิดเบือนไม่เป็นความจริงไม่มีเลยดัยงนั้นเราสามารถเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างตายใจเพราะมีการได้รับรองแล้วถ้าเป็นสินค้าก็มี อ, อยลแล้วทายาก็มีติดป้ายออยลแล้วเราไม่ต้องไปสงสัยถ้าเป็น เครื่องอเครื่องใช้ไม่สอยก็มีมอรกอรมอรลมออมีใบอนุญาตใบรับรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรมนะว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเราเชื่อไดอ้ส่วนใครจะมาบอกว่าสินค้านี้ไม่ดีไม่จริงก็ดูหน้าตาเขาก่อนเลยเาเป็นยังไงเขาถึงังมากล้ามาพูดว่าไม่ดีไม่จริง คำถามต่อไปจากคุณใจบริสุทธิ์ครับการพิจารณากายเราสามารถพิจารณาได้เลยไหมครับหรือต้องฝึกให้มีให้สมาธิมีกําลังก่อนครับคือเราต้องรู้ว่าเราพิจารณากายเพื่ออะไรการพิจารณากายก็เพื่อปล่อยวางร่างกายแต่การจะปล่อยวางร่างกายได้เนี้เราจะต้องมีกําลังปล่อยถ้าเราไม่มีกําลังปล่อยพิจารณาไปมันก็ปล่อยไม่ได้เพราะว่า มันไม่มีกำลังปล่อยปัญญาเป็นเหมือนมีดอย่างที่เคยพูดไว้มีดเจ้าไปตัดอะไรนี่ถ้าคนไปเจ้าอมีดไปใช้ไม่มีแรงเพื่อมีดคมขนาดไหนก็ใช้ไม่ได้ไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงต้องให้คนที่ไม่มีเลี้ยวมีแรงนี่ไปสร้างเลี้ยวแรงขึ้นมาก่อนถ้าไม่ได้กินข้าวไปกินข้าวไม่ได้หลับนอนก็ไปพักผ่อนหลับนอน พอได้พักผ่อนหลับนอนได้กินอาหารแล้วทีนี้ก็เอามีดเนี่ยไปฟันไม้ฟันต้นไม้ฟันอะไรได้แต่ถ้าไม่ได้กินข้าวมาหลายวันไม่ได้หลับนอนมาหลายวันนี้ต่อให้มีดเป็นคมยังไงก็ไม่มีกําลังที่จะไปตัดไม้ได้จิตของเราก็เหมือนกันจิตเรามีกําลังที่จะตัดอตัดทุกสิ่งทุกอย่างได้หรือเปล่าตัดกิเลสได้หรือเปล่าตัดความโลภความอยากได้หรือเปล่าหยุดมันได้หรือเปล่า ถายังหยุดไม่ได้ต่อให้มีมปัญญารู้ว่าร่างกายอไม่ใช่ตัวเราของเรารู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราหยุดความอยากไม่แก่ห ย, ยุดความอยากไม่เจ็บหยุดความอยากไม่ตายได้หรือเปล่าที่ให้พิจารณาเพื่อให้รู้ว่าร่างกายมันต้องเป็นอย่างนี้หยุดมันไม่ได้ร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหยุดมันไม่ได้หรือถ้าไปรักร่างกายขอ ง, ขของคนอื่นก็บอกว่าร่างกายเขาไม่สวยนะ เ, เราไปมองเห็นแต่ส่วนที่สวย เห็นหน้าตาเห็นเท่านั้นเองไม่เห็นภายใต้ผิวหนังเขาหน้าตาภายใต้ผิวหน้าตาเ็ามีอะไรอยู่เราไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมเคยเห็นกระโหลกศีรษะเขาหรือเปล่าเคยเห็นโครงกระดูกของเขาหรือเปล่าเห็นเคยเห็นตับไตลำไส้ของเขาหรือเปล่าอันนี้ต้องพิจารณาด้วยปัญญาถึงจะเห็นถึงแม้จะเห็นบางทีมันก็ไม่ยอมมองรู้รู้อยู่แต่ไม่ยอมมองรู้ว่ามีอยู่ ดังนั้นก็พิจารณาได้แต่จะพิจารณาแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หรือไม่อันนี้ต้องดูอีกทีเพราะการพิจารณาก็เป็นเหมือนกับการรับมีดให้มันคมปัญญาก็คือความรู้ถ้าเราพิจารณาความจริงมันก็จะทำให้ความรู้นี้เป็นเป็นความรู้ที่แหลมคมที่สามารถเอามาตัดกิเลสตัณหาได้เป้าหมายของการพิจารณาก็เพื่อที่จะตัดกิเลส กิเลสตัณหาความโลภความอยากนี่มันเป็นตัวที่ทำให้เราทุกข์กันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กันเราก็ต้องตัดความโลภความอยากให้ได้จะตัดได้ก็ต้องมีปัญญามีมีดที่แหลมคมแล้วก็มีกำลังใจก็ต้องมีกำลังที่จะใช้มีดนั้นตัดด้วยถ้าไม่มีกำลังก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีคำถามต่อไปจากคุณขวัญครับขออนุญาตถามเจ้าค่ะ มีเพื่อนร่วมมีเพื่อนเพื่อนร่วมทําบุญหนังสือสวดมนต์ถวายวัดแต่หนังสือยังไม่ได้จัดทําค่ะลูกจะนําเงินที่เพื่อนๆร่วมทําบุญสร้างหนังสือไปทําบุญงานกรถินของวัดดังกล่าวได้หรือไม่เจ้าคะจะผิดวัตถุประสงค์ไหมเจ้าคะเอ่อเพราะวัตถุประสงค์มันเดิมเป็นอะไรล่ะก็ทําหนังสือสวดมนต์แล้วไปไปทําเป็นกรถิ่นไปมันก็คนละเรื่องนะก็ต้องไปแจ้งผู้ที่บริจาคขอมติใหม่เหมือน เราเป็นผู้รับชันทานุมัดจากจากที่ประชุมมาว่าให้เอาเงินก้อนนี้ไปทำกิจกรรมอย่างนี้พอเราทำไม่ได้เราก็ต้องกลับไปแจ้งเขาขออนุญาตใหม่ขอเปลี่ยนเป้าหมายใหม่อย่นี้ก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงเลต่อไปก็ไปเรียลลัยบอกว่าจะเอาเงินไปทำบุญเสร็จแล้วก็เอาไปซื้อบ้านของตัวเองนีอ่อ้าวมันก็เหมือนกันมันก็ผิดวัตถุประสงค์เหมือนกันใช่ไหม นั้นไม่ได้หรอกถ้าลองเป็นอะไรแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราทําไม่ได้ก็อย่ารับมาเคืนเข้าไปคืนเงินเข้าไปคําถามต่อไปจากทาง facebook live ครับจากคุณแมนนี่ครับถ้าเราซื้อสินค้าแล้วแม่ค้าทอนเงินเราไม่แน่ใจว่าแกทอนเกินไหมเราเลยเอาเงินที่ทอนเกินบวกเงินเราคนละครึ่งไปบริจาคยูนิเซฟแล้วอุทิศบุญให้เคสแบบนี้ได้บุญไหมครับ เงินที่เราได้มาโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นเงินที่ถูกต้องหรือไม่ <Yeah. S 1> ความจริงคนจะไปคืนคนที่เขาให้เรามาจะจะดีกว่า <Yeah. S 1> เพราะว่าถ้าเราทาโดยที่เราสงสัยนี่ถ้าเงาว่าผิดถ้าเราสงสัยว่ามันเป็นเงินที่ถูกต้องหรือไม่ถ้าสงสัยแล้วเรายังเอาไปใช้มันอยู่คิดว่าถูกต้องมันก็อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ อาจจะเป็นเงินของของแม่ค้าที่เขาทอนเงินผิดมาให้เราแล้วเราก็เอาเงินของเขาไปทำบุญเราอาจจะได้เงินาอา จ, จะได้บุญจากการทาเงินทได้บุญจากการทำบุญแต่เราอาจจะได้บาปจากการที่เอาเงินของแม่ค้าเข้ามาเพาั้นถ้าเราเป็นไปได้ก็ควรที่จะไปคืนแม่ค้าหรือถ้าแม่ค้ายืนยันว่าถูกต้องแล้วอย่างนี้เราอาจจะเข้าใจผิดของเราเองก็ได้อย่างเมื่อวานนี้ที่มีคาถามใช่ไ คนที่คิดว่าเป็นเงินทอนเกินอาจจะจําผิดก็ได้ว่าให้เงินเขาให้แบงก์สิบไปความที่ให้แบงก์ร้อยให้ให้แบงก์ร้อยเขาไปคิดว่าเป็นให้แบงค์สิบเขาไปก็ได้หรือว่าคิดว่าเราให้แบงก์สิบไปคนคนที่ให้อาจจะจําผิดก็ได้หรือแม่ค้าก็อาจจะจําผิดก็ได้แต่ถ้าแม่ค้าก็ยืนยันว่าเขาไม่ผิดเงั้นเงินที่ก้ห้มาก็ไม่บาปนะใช่ไหมเพราะเขายินดีจะให้ะ คำถามต่อไปจากคุณธนาพรครับโ <c oughs> ยมมีแฟ น, น, <c oughs> นคนแคนาดาอยู่ที่อเมริกาด้วยกันค่ะเขาไม่ชอบนิสัยการขับรถของโยมอย่างมากเขาจะโกรธง่ายและชอบใช้คําหยาบคายกับโยมเวลาโยมขับรถไม่สุภาพซึ่งโยมพยายามที่จะไม่โกรธและไม่ตอบโต้ขอโอกาสหลวงพ่อช่วยแนะนําวิธีทําให้ตัวโยมไม่โกรธเขาและจะบอกเขาไม่ให้โกรธโยมอย่างไรดีคะก็คิดว่าเราหมานั่งไปกับเราก็แล้วกัน เวลาหมามันเห่าเราเห็จะไม่ว่าอะไมันเลยมันไม่รู้เรื่องมันก็เห่าไปตามภาษาของมันเราขับรถของเงาเราไปมันไม่พอใจมันก็เห่าก็ปล่อยมันเห่าไปคำถามต่อไปจากคุณต้นครับขอเรียนสอบถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราสมควรจะบวชใช้ชีวิตอยู่ในแบบพันปัประชิตมากกว่าใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปครับเพราะตัวเองกําลังไม่มั่นใจ ถ้าไม่มั่นใจก็อย่าไปบวชน่ะก่อนที่จะบวชนี่เขาต้องมั่นใจถ้าบวชแบบมั่นใจเดี๋ยวก็เสกได้แต่ถ้าบวชแบบมั่นใจนี่ยากที่จะเสกเนี่ยนี่เราต้องมีความมั่นใจก่อนที่เราจะทําอะไรเราต้องมีความมั่นใจว่าเราต้องการจะทําสิ่งนี้จริงหรือไม่ถ้าเรามั่นใจก็ค่อยไปทําคํำถา ม, ถามต่อไปจะคุณจิรพันธ์ <c oughs> ครับช่วงนี้เจอปัญหาหนักมากในแต่ละเรื่อง ทั้งเรื่องงานการเงินครอบครัวเพื่อนสนิทบริวารการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นเมื่อก่อนคงเป็นบ้าตายแต่สังเกตตัวเองว่าผ่านเรื่องมากมายก็ทำให้เราเรียนรู้รู้จักทุกรู้จักเหตุและพอปฏิบัติธรรมมากขึ้นมากขึ้นก็มีสติขึ้นแต่พอเจอเรื่องหนักๆมากก็รู้สึกว่าทำไมมันเยอะจังเราจะยังรับไหวต่ออีกหรือเปล่ากราบเรียนขอข้อคิดและกาลังใจเจ้าคะ่ะ ก็ปัญหาทุกอย่างมันเกิดจากความอยากของเราถ้าเราลดความอยากของเราได้มันก็จะไม่หนักที่มันหนักเพราะเราอยากจะไปปรับมันไปปรุงแต่งกับปัญหาต่างๆปรับให้มันเป็นอย่างนั้นปรับให้มันเป็นอย่างนี้พอปรับไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาก็อย่าไปปรับมันสิก็เอามันตามมีตามเกิดก็แล้วกันแล้วมันจะไม่หนักยินดีตามมีตามเกิด ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาอะไรจะเกิดก็เกิดแค่นี้แหละคำถามต่อไปจากทาง YouTube Live ครับจากคุณอ้มครับสวดมนต์ยอดพระไตรปิฎกนั้นจะดีกับตัวเองยังไงคะถ้าสวดทุกวันเช้าเย็นการสวดก็เป็นการฝึกสติไงเป็นการควบคุมหยุดความคิดเช้าเย็นมันไม่พอแล้วมันต้องทั้งวันทั้งคืนนอกจากจากเวลาหลับ คอยควบคุมความคิดอยู่ตลอดเวลาปล่อยให้มันคิดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจะต้องคิดถ้าไม่จําเป็นจะต้องคิดก็อย่าให้มันคิดใช้การสวดมนต์ไปสวดบทไหนก็ได้สวดยอดพระกันก็ได้สวดอ e ิตปีเสก็ได้สวดธรรมจักรก็ได้แล้วแต่เราชอบสวดบทไหนเราก็ใช้การบทนั้นเป็นการกํากับควบคุมบังคับใจเราไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งได้ทั้งนั้นคําถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับ สามีให้ลูกเก็บเงินที่เขาหามาได้มารวมกันกับลูกหาได้แล้วลูกจะจัดสรรทุกอย่างแล้วแบ่งบางส่วนไว้ทำบุญกับไว้ทาบุญกับสามีไว้ทาบุญสามีจะได้บุญไหมคะเขาก็ยินดีทุกครั้งที่นำเงินไปทำบุญค่ะถ้าเป็นสมบัติร่วมแล้วก็เขาก็ยินดีรับรู้ทุกครั้งที่เราทำบุญเลิกถือว่าเงินที่เราไปทาบุญทุกบาทเขายินดีก็ถือว่าเขาก็ได้บุญ คำถามต่อไปจากคุณจันเพนครับจากไม่ประสงค์ออกมาขอขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยให้พรวันเกิดให้คนที่ลูกรักด้วยนักเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณค่ะขอให้พรย้อนหลังให้เธอด้วยเธอรับเธอรับฟังพระอาจารย์ทุกวันและจะเป็นของขวัญสิ่งเดียวที่จะทำให้เธอได้เธออยู่ต่างประเทศค่ะ ก็ขอให้มีความสุขความสมหวังในทุกสิ่งทุกประการมีอายุยืนยาวนานมัง่งมีสีสุขแค็งวคร่งปลอดภัยคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนาในสิ่งนั้นๆเถิ น, น, นคำถามต่อไปจากคุณจันทร์ครับอะไรคือกรรมเก่าและอะไรคือกรรมใหม่ครับกรรมเก่าก็คือทำที่เราเคยทํามาแล้วก็เป็นของเก่าไปกรรมใหม่ก็คือกรรมที่เราเพิ่งทําสดสดร้อนๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ คำ ถ, ถามต่อไปจากคุณปราณีครับถ้าลูกชายไม่เข้าใจในความหวังดีของพ่อแม่ทําอย่างไรดีคะอ๋อให้เขาโตขึ้นเขาก็จะเข้าใจเองเพราะเด็กมันไม่คิดไม่เป็นกันเพราะมันจะเอาแต่ใจตัวเองพอพ่อแม่ขัดใจก็เลยคิดว่าพ่อแม่ไม่ไม่รักไม่ไม่ไม่ดูแลเอไม่เอาใจแต่ตโตโตขึ้นเขาคงจะรู้เองเพราะเราทุกคนพอโตขึ้นเราก็รู้บุญคุณของพ่อแม่ ตอนนี้เราก็ก็ต้องพยายามาให้เขาไปอยู่วัดบ้างก็ได้เพราะวัดก็จะได้สอนเด็กให้รู้จักบุญคุณของพ่อแม่ลูกความปรารถนาดีของพ่อแม่ซึ่งบางทีให้พ่อแม่สอนก็อาจจะลูกจะรับไม่ได้เพราะว่าพฤติกรรมของพ่อแม่บางครัง้งบางคราวมันเหมือนกับไม่มีความปรารถนาดีเพราะาเป็นการขัดใจเขา ห้ามเขาทำในสิ่งที่เขาไม่ควรทำงั้เขาจะไม่ยอมฟังการให้ลูกไปบวชหรือไปไปอยู่วัดไปเข้าวัดเนี่ยมันจะได้ยินได้ฟังเรื่องความกตัญญูกตวเวทีได้ยินเรื่องบุญคุณของพ่อของแม่ว่ามีมากน้อยเพียงไรคำถามต่อไปจากคุณนรงชัยครับ <c oughs> เวลานั่งสมาธิจิตไม่สงบจะทำอย่างไรดีครับ พอไม่มีสติมันก็ไม่สงบะก็ต้องพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ถ้าพุโทโธไม่ชอบพุโทโธก็สวดบทยอดประกันหรือสวดบทอิติปิโสหรืออะไรก็ได้สวดไปจนกว่ามันจะสงบแล้วค่อยหยุดหยุดสวดแล้วค่อยมาดูลมหายใจต่อคำถามต่อไปจากคุณแอนครับโยมอยากรักษาศีลอุโบสถวันพระที่บ้าน เริ่มต้นอย่างไรเหมือนไปรับศีลกับพระหรือเปล่าเจ้าคะออการรับศีล น, นี้ก็เพียงกันไปเรียนรู้ว่าศีลมีอะไรบ้างถ้าเรารู้แล้วก็ไม่ต้องไปรับเนี่ยที่ที่คนไปหาพระเพราะว่าไปขอศีลก็คือไปขอให้ชี้แจงให้บอกว่าศีลมีอะไรบ้างรักษาอย่างไรถ้าเรารู้แล้วว่าศีลแปดมีอะไรเราก็สมาทานไปในใจเรา ตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้ตั้งแต่เวลาหกนาฬกาจนถึงพรุ่งนี้เวลาหกนาฬกาต้องหนึ่งคืนหนึ่งวันยิบสี่ชั่วโมงอย่ารักษาแค่แค่ถึงเย็นรักษาสิบแปดพอถึงเย็นก็เลิกอย่างนี้ก็ไม่ได้รักษาจะได้กินข้าวเย็นต่อนะจะได้ดูละครได้รักษาแต่ตอนกลางวันนี้มันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้รักษา เพราะฉะนั้นถ้าจะรักษาศีลแปดนี้ควรจะรักษาอย่างน้อยก็ยี่บสี่ชั่วโมงหนึ่งรอบอตั้งหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเขาเรียกทางภาษาพระรักษาหนึ่งวันกับหนึ่งคืนคำถามต่อไปจะพูดไม่ประสงค์ออกนามครับขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าจิตตกเราควรวางใจอย่างไรคะสังคมในยุค ป, ปัจจุบันเป็นเรื่องยากต่อการบรรลุธรรมไหมคะ ไม่ยากหรอกสังคมทุกสังคมมันก็เหมือนกันทั้งนั้นอ่ะกิเลสของทุกสังคมมันก็เหมือนกันทุกยุคทุกสมัยสิ่งที่เราขาดก็คือธรรมะคือสติพยายามฝึกสติสติจะยกจิตของเราให้ขึ้นมาใหม่เพราะจิตตกก็พุทโธพุทโธไปอยากคิดปรุงแต่งยิ่งคิดปรุงแต่งมันยิ่งตกเพราะความคิดปรุงแต่งมันคิดด้วยกิเลสตัณหากิเลสตัณหามันก็จะฉุดจิตของเราให้ลงตำ่ำ เราต้องหยุดความคิดปรุงแต่งด้วยกิเลโด้วยการใช้พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวไม่นานมันก็จะกลับขึ้นมาสู่ที่เดิมได้ครคำถามต่อไป <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณธรรมะครับเดินเดินอยู่จิตเกิดสภาวะเอกภาพรวมกับทุกสรรพสิ่งเป็นสภาวะอะไรคะเกิดขึ้นสองครั้งแล้วคะ่ะ มันเป็นอะไรก็ให้รว่มเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันถ้ามันดีก็พยายามทำให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆถ้ามันไม่ดีก็แล้วก็อย่าไปให้มันเกิดอย่าไปหรืออย่าไปสนใจมันของบางอย่างบางที่เราห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันจะไม่เกิดมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าเรารู้เหตุที่ทำให้มันเกิดมันดีแล้วมันทาเรารู้เหตุว่าทำอย่างไรให้มันเกิดล้วก็ทำเหตุนั้นใหม่เราก็จะได้ผลอย่างนั้นต่อ แต่ถ้าเป็นผลที่มันเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ว่าเหตุเกิดจากอะไรเราก็อย่าไปสนใจมันปล่อยมันเกิดปล่อยมันดับไปคำ ถ, ถามต่อไปมีสองคำถามนะครับจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามครับมาปฏิบัติธรรมที่วัด <c oughs> แต่คุณแม่ไม่เห็นด้วย <c oughs> บางครั้งท่านก็กลัวเราถูกหลอกจะถูกจะถูกทักเชิงจะถูกทักเชิงตําตําหนิทุกครั้งที่เราลา ง, งานมาวัดเราควรทําอย่างไรดีคะ ก็พาแม่มาดูกัะตาเลยสิแม่ไม่ได้ม า, าแม่ก็คิดปรุงแต่งไปก็พามาดูเลยว่าจะถูกหลอกอยังไงจะได้รู้กันจะได้เป็นสัก์ขีพยาพยานกันถ้าถูกหลอกก็จะได้ไม่ต้องกลับมาอีก่ยจะได้ไปไปที่อื่นต่อคําถามข้อที่สองครับการที่เรากลับจากวัดแล้วไม่ได้เล่าที่เราทําบุญอะไรให้เขาฟังเพราะเรารู้สึกเขาไม่ได้สนใจเขาก็เลยไม่ได้ร่วม เขาก็เลยไม่ได้อนุโมทนาบุญเราทําถูกไหมระหรือควรปฏิบัติตนอย่างไรดีคะถ้าเขาไม่ถามไม่สนใจเขาไม่ต้องพูดอะไรคาถามต่อไปจากคุณดีไอครับเรียนถามพระอาจารย์ว่านิพพานแล้วไปไหนตัดสลูตายแล้วตายแล้วไปไหนคะพระอาจารย์ก็อยู่ที่เดิมจิตมันไม่มีสถานที่มันไม่เคลื่อนไหวเหมือนร่างกายเพราะจิตมันไม่มีรูปร่าง จิตมันอยู่ที่เดิมเหมือนคนที่เล่นเกมเนี่ยมัน น, นั่งอยู่ที่หน้าจอเนี่ยมันก็เล่นเกมเดี๋ยวเปยนพอเกมวันนี้หมดก็เริ่มเกมใหม่มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่คนเล่นก็อยู่ที่เดิมจิตเราเหมือนคนเล่นเกมเนี่ยพอร่างกายนี้ตายไปก็เหมือนเกมนี้จบแล้วก็ไปรีสตาร์ทใหม่ไปเริ่มเกมใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่ล้วก็เล่นเกมใหม่ต่อไปจิตของเราไม่ได้ไปไหนแล้ว ก็อยู่ที่เดิมอยู่ที่ว่าจะเล่นเกมต่อแล้วไม่เล่นเกมต่อท่านั้นเองพระพุทธเจ้าบอกเบื่อเล่นเกมนั้นเบื่อปิดจอดีกว่าปิดเครื่องดีกว่าดูจอเปล่าดีกว่าสบายกว่าลดของความว่างนี่มันสุขกว่าลดของเกมต่างๆท่านั้นเองจิตมันไม่มีสถานที่มันไม่มเคลื่อนไหวมันอยู่ในโลกทิพย์เนี่ยมันอยู่ที่เดียวจิตเขาโม่เราอยู่ที่เดียวกันหมดเพียงแต่เราเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆ มอนก็เราเปลี่ยนเกมไปแล้วเล่นเกมนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนไปเล่นอีกเกมนึงฮะแต่คนเล่นก็นั่งนั่งอยู่ที่เดิมนล่นอยู่ที่หน้าจออยู่เหมือนเดิมคำถามต่อไปจะคุณชยาภาครับลูกเพือเอินเก็บเงินได้ข้างทางไม่รู้เจ้าของคือใครลูกจึงนําไปทําบุญที่วัดค่ะลูกทําถูกไหมคะก็เงินไม่ใช่ของเราถ้าเราไม่รู้ใครเป็นเจ้าของก็วางไว้ที่เดิมดีกว่า วิธีที่ถูกที่สุดก็อย่าไปแตะเผื่อเจ้าของเขาเขากลับมาหาก็ไม่เจอแล้วถ้าเขาบอกว่าเงินเราหายเราเดินมาแถวนี้เขาเลยกลับมาเดินหาแต่เราหยิบไปซะแล้วเราก็เลยเหมือนขโมยเงินเขาไปเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะเอาเงินของผู้อื่นต้องให้เขาอนุญาตก่อนเราถึงจะเอาไปได้คำถา ม, ถามต่อไปจากคุณนภพัฒครับ ดิฉันแขวนพระที่ปลุกเสจเรียบร้อยตอนนอนทุกคืนแต่เมื่อเช้าจะอาบน้ำก็ได้ถอดชุดนอนขึ้นทางศีรษะไม่ทราบว่าองค์พระจะเสื่อมไหมเจ้าค่ะ <c oughs> มันเสื่อมตั้งแต่เราไปห้อยแล้วแหละเราเป็นผู้หญิงพระพระเป็นผู้ชายเห <c oughs> ็นอย่าไปห้อยพระเลย <c oughs> มันเสื่อมตั้งแต่พระพระผู้หญิงมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้ว แต่นี่เป็นพระพุทธรูปมันไม่เสื่อมหรอกมันไม่เสื่อมแต่ม <intake> mm ัน hmm. ก็ไม่เจริญหรอกเพราะว่ามันเป็นแค่วัต cin ถ <cing> ุมันไม่รู้เรื่องมันไม่รู้ว่ามันเป็นพระเข้าใจไหมมันเป็นวัตถุที่เขาหล่อเป็นรูปพระแล้วเราก็ไปสมมติว่าเป็นพระเท่านั้นเองนั้นมันไม่จะปลุกเสกไงมันก็ไม่เป็นพระขึ้นมาหรอกพระนี่จะเป็นได้ก็ต้องที่ใจเท่านั้นถ้าอยากจะปลุกเสกต้องปลุกเสก ที่ใจให้เป็นพระขึ้นมาเป็นพระอริยะเนี่ยเป็นพระสวสดาบันพระสกิฎาคามีพระนาคามีอันนี้ต้องปลุกเสกที่ใจส่วนวัตถุที่เราห้อยคอนี้ปลูกยังไงมันก็ไม่มันก็ไม่ได้เป็นพระขึ้นมาเป็นเพียงแต่ความเชื่อของเราเท่านั้นว่าเชื่อว่าเป็นพระถ้าเราเชื่อว่าเป็นพระจริงเราก็ไม่ควรที่จะไปแตะเพราะพระกับผู้หญิงมันแตะกันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคำ ถ, ถามต่อไปจากช่องยูทูบไลฟ์ครับจากคุณบอยครับ พระเรียนสอบถามพระอาจารย์ครับดวงตกดวงดีมีอยู่ในพระพุทธศาสนาไหมครับเพราะบางคนโดนทักว่าดวงตกต้องไปสะดอกเคาะวัดนั้นวัดนี้ครับก็บุญกรรมนี่ไงเป็นดวงดวงตกดวงขึ้น เวลาผลบุญขึ้นมาก็ดวงก็ขึ้นได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญพอเวลาเสื่อมจากลาบยศสรรเสริญก็แสดงว่าบุญตกกรรมกรรมมาแทนที่นมันก็เรื่องเป็ น, เ, ปนเรื่องของผลบุญผลบาปนี่แหละที่เรียกว่าดวงตกดวงขึ้นคำถามต่อไปจากทาง Youtube ไลฟ์นะครับจากคุณศิริวันครับความคิดปรุงแต่งดับแล้วจะต้องดำเนินอย่างไรต่อคะ ตอนนี้ลักษณะการปรุงแต่งไม่ค่อยมีมีจะน้อยกว่าเก่าจะรู้เวลาปรุงแต่งค่ะก็ต้องพยายามอย่าให้มันปรุงแต่งโดยเฉพาะปรุงแต่งไปตามความอยากต่างๆความโลภต่างๆ ต, ต้องพยายามตัดมันให้ได้อยากดื่มกาแฟก็อยา ก, ก, าากยาให้มันดืม่มอยากสูบบุหรี่ก็อยากไปให้มันสูบอยากดื่มสุราก็อยากไปให้มันดืม่มเนี่ย พยายามหยุดความอยากความคิดปรุงแต่งไปในสิ่งที่ไม่ดีก่อนละการกระทํำบาปทั้งปวงอบายามุกทั้งหลายถ้าคิดปรุงแต่งอยากจะฆ่าอย่างนี้ก็อย่าค่าอยากจะรักทรัพย์ก็อย่าไปรักทรัพย์เนี่ยอยากจะไปประพฤติผิดประเวณีพูดปดเดิมเชลาก็หยุดมันอยากจะไปเล่นการพนันเท่นวดเดี๋ยวสองวันนี้หวยออกอีแล้วพออยากจะแทงหวยก็ต้องหยุดมันอย่าให้มันคิดปรุงแต่งถึงเรื่องการแทงหวยเอ ลืมๆไปซะคำถามต่อไปจะทาง facebook live ครับจากคุณต่ายครับเรื่องเงินทอนนะครับพระอาจารย์โยมฟังพระอาจารย์อยู่โยมก็เคยรับเงินทอนเกินมาแต่กว่าจะรู้ก็นั่งรถจากแม่ค้ามาแล้วที่รู้ช้าก็ที่รู้ชา้ชาเป็นเพราะเงินต่างประเทศตอบตอนตอนรับเงินทอนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเพราะเขาหยิบแบงก์เราไปแล้วเขาก็ทอนเงินมาให้เราเองแต่ครั้น อยากจะเอาไปคืนก็ไปไม่ถูกแล้วเพราะเดินทางไปท่องเที่ยวกับทัวร์อย่างนี้เรารับบาปเต็มๆใช่ไหมคะที่ไม่ได้เอาไปคืนเขาทุกวันนี้ยังค้างอยู่ในใจเลยค่ะมันถ้าเราไม่มีเจตนามันไม่เป็นบาปหรอก <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเรื่องของความผิดพลาดของเขา หรือความเข้าใจผิดของเขาหรือของเราก็ได้เขาอาจจะทอนเงินที่ถูกแต่เราไปเข้าใจผิดเองก็ได้ <Yeah. S 1> นะเพราะมันผ่านไปแล้ว mm. ก็ไม่ต้องไปกังวลกับมัน <Yeah. S 1> เพราะว่าเราไม่มีเจตนาที่จะต้องการเงินก้อนนั้นอยู่แล้ว <Yeah. S 1> ถ้าเรามีโอกาสกลับไปเจอเขาก็คืนเข้าไปถ้าไม่เจอเราก็จะเก็บไว้เราไปใช้เราไปทาบุญก็สุดแท้แต่มันไม่บาปอยู่แล้ว <c oughs> คำถามต่อไปจะคุณอาชิครับ เวลาสวดมนต์เราต้องสวดพุทธทคุณธรรมคุณสังฆคุณเสร็จแล้วแผ่เมตตาเสร็จแล้วถึงจะสวดมนต์บทอื่นได้ใช่ไหมเจ้าคะอันนี้เป็นสูตรที่เขาใช้กันแต่ความจริงถ้าเรื่องของการปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบนี้ไม่ต้องมีสูตรก็ได้สวดบทไหนก็ได้สวดเพื่อให้เราหยุดความคิดปรุงแต่งสวดบทเดียวก็ได้ไม่ต้องสวดทั้งสูตรก็ได้สวดแค่พุทโธคําเดียวก็ได้อันนี้เป็น ถ้าแนวทางปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นมันมีไว้เพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งแต่ถ้าแนวทางของพวกที่ทําพิธีกันเขาก็ต้องมีสูตรของเขาต้องสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก่อนต้องแผ่เมตาก่อนแล้ถึงจะเข้าไปสูวดพระสูตรต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมไปแต่ถ้าเรื่องของการปฏิบัติแล้วสวดบทไหนก็ได้ไม่สวดเลยก็ได้ถ้า ใช้พุโทโธคำเดียวก็ได้คำ <c oughs> ถ, ถามต่อไปจากคุณเต้ครับแขวนพระกับไม่แขวนพระดีดีหรือไม่ดีต่างกันอย่างไรครับเท่ากันเน่ยก็เหมือนกับเอาก้อนหินมาแขวนไม้ <c oughs> เป็นแต่เราไปสมม่รูว่าเป็นพระเท่าทนั้นเองคำถา ม, ถา ม, ถา ม, ถามต่อไปจากคุณรัพพีพันธ์ครับทําไมคนเรารักทําไมคนที่เรารักถึงทําลายเราไม่ให้เราได้มีจุดยืนเลยครับ หนูต้องทำอย่างไรคะ KEVIN! เขาด่านหนูแบบเจ็บเจ็บสบแสก็อย่าไปยุ่งเขาสิสเขาไม่ชอบเราเขาไม่อยากจะยุ่งกับเราเราก็อย่าไปยุ่งกับเขาก็ท่นั้นต่างคนก็ต่างอยู่ไปคาถามต่อไปจากคุณทบครับสมาธิไม่ถึงอัปปนาภูมิจิตถึงโสดาบันได้ไหมครับมันยากอ่ะเพราะว่ามันจะตัดกิเลสไม่ได้ไม่มีกําลังพอ งั้นถ้าต้องการที่จะตัดกิเลสที่จะให้เป็นโซดาบานได้มันก็ต้องมีกำลังระดับอัปปนามันถึงจะหยุดมันได้หมดแล้วนตอนนี้คำถามหมดครับ เ, ออเวลาก็พอดีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ